เซสันิวัฒน์อันเหลือเชื่อของหลวงปู่ ด้วยชีวิตนี้ท่านได้ถึง วันเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรหลวงปู่แหวนได้มาพักบําเพ็ญ ตานพวกนี้เหมือนกับพวกไทยใหญ่เอาของพวกเขาถือว่าพระไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ของหวานแต่อย่างไรก็ตามจนวันสองวันแรกก็ฉันได้ดีแต่วันที่สามที่สี่ก็รู้สึกเบื่อวัน 2กก3 ที่ 4 วันหนึ่งใกล้ค่ำเมื่อสายตาของทั้งสองฝ่ายประสานกันเข้าไปส่งน้ําที่ เมื่อพักจึงได้สติหวนระลึกเมืองเนื้อท่านอยู่ทางรูปร่างใบหน้าเหมือนหญิงที่เราพบเมื่อตอนเย็นก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือน เพราะเมื่อเราเห็นเป็น ทำให้หลวงปู่แหวนเกิด ระหว่างเดินทางหนีหินหมากแป้งทุกข์ แล้วก็เป็นวาสนาของหลวง แมอครัวนั้นภาพของหิงงามก็ยังปรากฏเป็นครังเป็นคราวทำให้ดวงจิตวันไว้อยู่เสมอแต่เมื่อレ่งพ Rights ยิ่งขึ้น ภาพนั้นก็สงบรugglingไป หากพรังเผizin์เ�aretราเมื่อใด ส่งตัวสู่ฐานสมาธิได้ง่ายไม่วุ่นวาย มันกลับเถิดโลดต่าง เผลอไม่ได้เป็นต้องโอ หลวงปู่แหวนไม่ยอมพ่ายแพ้เช่นเดินยืนเท่านั้นเท่านั้น มันคลายความเอาใหม่ต่อหญิงงามคน ทัจจิตมันก็ยังแสสายไปหาหญิงงามไม่ จิตได้พ่ายแพ้ต่อ 32 นั้นทีปฏิโลมที่เย็บ ออกไปเงาแต่ละส่วนของ นั่นคือคือเนื้อหรือดูไม่ได้เอาเสียเลยซึ่งๆๆอ้อ ปัญญาพิงพินิจต่อไปอีกจนเห็นความ มูดกินได้ไหมกรีดงามด้วยหรือไม่กินได้ไหมเอา จิตก็ต้องยอมรับความเป็นจริงยอมสารภาพผิดแต่โดยดีอ่อนก็พรันถึงความสงบเพราะจนด้วย แต่จิตคงทรงอยู่ในความสงบได้เพราะเห็นความจริงของธรรมแล้วก็ไม่ยอมโลดแล่น และสิ้นพยายตตั้งแต่นั้นและตลอดไป